คณะนักศึกษาพระหลูกพ้าหลานที่เข้ามาปวดมีเวลาน้อยมีเวลาเพียงเดือนเจ็เจเศษหลวงพ่อเองก็มานึกดูว่าแล้วว่าทางว่าเราจะไปชมแต่วันพระแปดค่ำสิบ้าค่ำก็คงมีเวลาน้อยเกินไปควรจะมีการประชมกัน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 จะดูนานไปเท่าไร่อาหารก็เหมือนกันเนี่ยทานเข้าไปกันก็เป็นอย่างเก่าเพื่อเลี้ยงธาตุขันให้อยู่ได้ทำมะก็เหมือนกันเมื่อเราปฏิบัติเข้าไปแล้วก็ททำให้จิตใจของเราได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขจะทำยังไงจิตใจของเราจึงจะร่มเย็นเป็นสุขได้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 พวกเรานำกรรมฐานที่พวกเราคิดว่าดีแล้วก็นํามาปฏิบัติแต่มันออกไปแล้วมันเสียเสียรูปแบบหรือว่าเสียออกไปนอกรูนอกทางหรือว่าลักษณะเฉพาะธรแตกลักษณะอย่างนั้นอะ่ะเคยมีเพราะฉะนั้นขอให้พระลูกหลานทั้งหลายที่เขามาบวช ให้นำแนวแถวของหลวงปู่มั่นมาปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวในวันก่อนเราปฏิบัติอย่างไรสําหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาอันดับแรกก็เราไหว้พระอย่างวันนี้ไหว้พระอรหังสวาคดโตสุปฏิปัโนทำขนาดนี้ก็ได้หรือยาวกว่านี้ก็ได้หรือจะสวดที่เราได้สวดมงคล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 เรือกสมาธิสมถะหรือสมาธิที่กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานต้องพยายามทำจิตใจให้สงบซะก่อนถ้าเป็นไปได้จะดีที่สุดแต่ถ้าว่าภาวนาดูแลกาหนดลมมันไม่อยู่มันทะเลถลายหรือว่ามันอยากจะออกมันจะออกมันคิดออกนอกคลูนอกทาง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 ไอ้ตัวนึกคิดนะ่ยตัวที่มันปรุงฟุ้งออกไปข้างนอกนั่นนะอย่าให้มันนึกคิดอย่าให้มันปรุงออกไปให้มันอยู่กับพุทธโธอย่างเดียวสำมทับอยู่กับพุทธโธให้ถี่เย็บไม่ให้มันมีช่องว่างที่จะออกไปอันนี้ก็คือวิธีหนึ่งคือ2วิธีแหละ ว, วิธีนึงก็คือกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจะมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกอันที่2ก็คือ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 หยุดเพิงต้นเสาใหรือว่ายืดแล้วมันงอนเงินท่านท่านจะไม่แนะนำในการยืโดยมากท่านจะให้เดินกับนั่งซะมากกว่าเวลานั่งก็อย่างที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวลูกหลานนั่งท ม, มาที่ยังไงแต่เดินมีทางเดินจงกลมเกือบทุกกุิทีวัดของเราเวลาจะเดินจงกลมพิธีเดินจงกลมทำยังไง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 เมตตาธรรมค้ำจุนโลกถ้าคนที่มีเมตตาต่อกันไปอยู่รสถานที่ใดมีแต่ความสงบพร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้าถ้าหากว่าไปอยู่รสถานที่ใดมีแต่ความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวนต่อกันความอิจฉายู่ที่ไหนความบรไลัยอยู่ที่นั่นความบนไลัยมันอยู่ความอิจฉากันเพราะนั้นเรามีแต่เมตตาความเมตตาอยู่รสถานที่ใด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 ได้ผ้าเมืองราชจะคือได้ข้าวก็ไปเปลี่ยนกันสินค้าเป็นเมืองใหญ่แต่ที่นี้เศรษฐีกรุงพาราณสีเนี่ยดำเนินกิจการ mm. อะไรก็ไม่รู้ mm. เหมือนกับ IMF ปี3940นกาี่ในกำมังเศรษฐีนี่ก็มดตัวเลยเออมดตัว ก็เลยเอเท่าเป็นอย่างนี้ก็ถ้าหมดตัวก็คิดถึงแต่เพื่อนเศรษฐีอยู่ที่กรุงราชสัคืน่แหละที่มีน้ำใจที่ไปมาหาสู่ธมาค้าขายด้วยกันก็คงจะไปหาพึ่งพาใสาเพื่อนที่กรุงราชสักคืท่นี้ก็กบากหน้ามาหาเพื่อนแบบใช่ยานภานะ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 างในวันนั้นแต่ให้เพื่อนเนี่ยให้ข้าเพียงข้าหักเพียงสีทนาน อ, อไปเอาไปไปไม่ที่นี่ไม่มีที่พักแล้วก็หากินตามสบายๆนะเพื่อนนะเออที่นี่ก็เพื่อนกุงราช จ, จะคือโอ้ทำไมเขาพูดอย่างนี้ได้กับเราแต่ถ้าว่าเราไม่รับของเขาไปก็เหมือนเราลังเกียจเดียดสัน่นะ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 แม่บ้านเขาก็นกคอยอยู่แม่บ้านก็ถามเอา้าทำไมได้อะไรมาโอ้เพื่อนเขาให้ข้าวมาสี่ทนานไม่ได้เรื่องแล้วเพื่อนเขาบอกไปหาหูงหาอาหารหาที่อยู่ที่กินเองเถอะพอพูดท่านั้นแม่บ้านของเศรษฐีที่มาร้องให้โหขึ้นมาเลยโอ้เราให้เขาทั้งรัพย์ทั้ง40โกดทั้งคู่ทั้งคนด้วยทั้งเกวียนทั้ง